แนะนำบทอดุดคอบทอดุคอเป็นบทมักกิยะมีห้าสบเก้าองค์การที่กล่าวถึงเป้าหมายต่างๆของบทมักกียะคือการให้เอกภาพสารและการฟืน้นผืนชีพเพื่อความมั่นคงแก่หลักตะกีดะและให้หลักการอิมานมีความหนักแน่นบทนี้ได้เริ่มด้วยการกล่าวถึงการปฏิหารซึ่งจะคงเหลืออยู่จนกระทั่งอัลลอฮฺ จะทรงให้แผ่นดินและทุกสิ่งที่อยู่บนแผ่นดินรับช่วงต่อไปและพวกเขาย่อมจะกลับไปหาพระองค์วันนี้ได้กล่าวถึงการที่อลัลลอฮ์ทรงประทานอัลกุรอานลงมาในคืนอันจำเริญคือคืนอัลกอดับและได้ชี้แจงถึงความมีเกียรติของคืนอันยิ่งใหญ่นั้นซึ่งกิจการของมนุษย์ได้ถูกจำแนกและได้ถูกจัดเตรียมไว้ในคืนนั้น เพื่อประทานคำพีฉบับสุดท้ายแก่ท่านดบีมุฮัมมัดสุลลัลวะลาสัลป์ซึ่งเป็นรอซศูนย์คนสุดท้ายบทนี้ได้กล่าวถึงท่าทีของพวกบูชาเจวิตที่มีต่ออัลกุรอานนี้แล้วว่าพวกเขาอยู่ในการสงสัยและแคลงใจเรื่องของอัลกุรอานทั้งๆที่มีความประจานแจ้งของมดาองค์การและหลักฐานอันชัดเจน และบทนี้ได้กล่าวเตือนพวกเขาถึงการลงโทษอันหนักหนุกบทนี้ได้กล่าวถึงฟิรอาวและสิ่งที่ได้ประสบกับพวกเขาคือการลงโทษและสัญญา้ายนโดบายการฝ่าฝืนและการกระทำอาชญากรรมาากกและร่องรอยต่างๆซึ่งพวกเขาได้ทิ้งเอาไว้หลังจากความหายนะได้ประสบก่บพวกเขาเช่นพระราชวังคฤหาสสวนดอกไม้สวนสาธารณนะแม่น้ำลำธาร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 บทนี้ได้จบลงด้วยการที่แจ้งถึงชะตากรรมของคนดีและชะตากรรมของคนชั่วการรวมเข้าโดยกันระหว่างการจูงใจและการขูการแจ้งข่าวดีและการแจ้งข่าวร้ายบทอัดดูคอถูกขนานนามเช่นนี้เพราะอัลลอทรงทำให้เป็นสัญญาณเพื่อขู พ, พวกปฏิเสธโดยที่พวกเขาประสบกับความแห้งแล้งและการอดอยากอันนึ่งมาจากการปฏิเสธของพวกเขา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 ฮาหมีมขอสาบานด้วยคำเพีอันชัดแจ้งอินนั้นเจ้าเราลั้นใมคืรอันมุ่งมั่นแท้จริงเราได้ประทานอัลกุรอาน ล, ลงมาในคืนอันจำเริญ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 Ah ad ad ซึ่งจะครอบคลุมทุกคนนี่คือการลงโทษอันเจ็บปวดพวกเขาจะกล่าวว่าโอ้พระผู้อภิบาลของเราได้ทรงปลดเรลื่องการลงโทษนี้ให้พ้นจากเราด้วยเถิดแท้จริงพวกเราเป็นผู้ศรัทธา อวข้อจากเตือนนั้นจะเป็นผลแก่พวกเขาได้อย่างไรทั้งๆ ท, ที่ได้มีรอซูลผู้ชี้แจงอย่างแจ้งชัดมาอย่างพวกเขาแล้ ว, มม ว, ลวแล้วพวกเขาก็ผินหลังออกไปจากเขาและพวกเขากล่าวว่าเขามูฮัหมัด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 วันที่จะปราบพวกเขาอย่างจริงจังแน่นอนเราเป็นผู้ตอบแทนอย่างสาสมและโดยแน่นอนเราได้ทดสอบกลุ่มชนของฟิเอาก่อนหน้าพวกเขาและได้มีรอซูลมูซาผู้มีเกียรติมาอย่างพวกเขาอ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 และแท้จริงฉันขอความคุ้มครองต่อพระผู้อภิบาลของฉันและพระผู้อภิบาลของเจ้าไม่ได้พวกเจ้าทำร้ายฉันได้วกเจ้าไม่เชื่อฉันก็จงถอِห่างออและถ้าพวกเจ้าไม่เชื่อฉันก็จงถอยห่างออกไปจากฉัน และเขาวิงวอนขอต่อพระผู้อภิบาลของเขาว่าชนเหล่านี้เป็นกลุ่มชนผู้กระทำผิดมมดังนั้นเจ้าจงเดินทางในเวลากลางคืน พร้อมด้วยพวงบ่าวของข้าเพราะพวกเจ้าจะถูกติดตามอย่างแน่นอนและจงปล่อยทะเลให้สงบนิ่งเหมือนเดิมเพราะแท้จริงพวกเขาเป็นไพร่พลที่ถูกให้จมน้ำตายกี่มากน้อยแล้วที่พวกเขาได้ทิงสวนอันหลากหลายและนา้าพุหลายแห่ง และเรื่องสวนไร่นาและอาคารระหโหฐานอันมีเกียตและความสะดวกสบายที่พวกเข า, าเร่าหริงเช่นนั้นแหละเราได้หมู่ชนอื่นรับมรดกครอบคร้อมัน และฉันฟ้าละแผ่นดินไม่ได้ร่ำไห้เพราะเสียดายพวกเขาและพวกเขาจะไม่ได้ถูกประวิงเวลา และโดยแน่นอนเราได้วงวานของอิสอามรอดพ้นจากการลงโทษที่น่าอสูจากฟิรเราแท้จริงเขาเป็นผู้โอหังจากบรรดาผู้ฝ่าฝื น, น, น, นอยบล และโดยแน่นอนเราได้เลือกพวกเขาเหลือประชาชาิทั้งหลายในยุคนั้นและด้วยความรอบรู้ของเขาและเราได้ประทานสัญญาณต่างๆแก่พวกเขาซึ่งในนั้นมีข้อทดสอบอย่างชัดแจ้งอินนาอูลาูลนอินีอิลลามตตุนัลอูลามานห์บิมุชรีนถ้าจริงชนเหล่านั้นแน่นอนพวกเขาจะกล่าวว่า มันเป็นเพียงความตายครั้งแรกของเราและเราจะไม่ถูกให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมา อ, าอีดังนั้นจงนำบรรพบุรุษของเรากลับมาอีกสิหากพวกเจ้าเป็นผู้พูดจริง อินนะหุมกานูมุจริมีนพวกเขาคุฝาตมักกาดีกว่าหรือหมูชนแห่งทุบบะชาวสบะแห่งเ ย, ยเมียนและบดาหมูชนก่อนหนะ้าพวกเขานั้นเราได้ทำลายล้างพวกเขาเพราะพวกเขาเป็นผู้กระทําความทิดว่าม้าขลักนัสสมาวาทวัลอร์ ض ว่าม้านบนหมาลาอิบีน และเราไม่ได้สร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินและสิ่งที่อยู่ระหว่างทั้งสองอย่างกล่าวประโยชน์นเราไม่ได้สร้างทั้งสองนังกล่าวนั้นเพื่ออื่นใดนอกจากเพื่อความจริงแต่ว่าพวกเขาส่วนมากไม่รู้อืม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 เว้นแต่ผู้ที่เอาลอสรงเมตตาถ้าจริงพระองค์เป็นผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงเมตตาเสมออินชาเจรซกมิแกมลอีนแท้จริงต้นซักูจะเป็นอาหารของผู้ที่กระทำบาปลมุฮีลิิลบุตูนกัลลฮามีเช่นทองแดงที่ถูกหลอมเดือดมันจะเดือดอยู่ในทอง เช่นการเดือดร้านของน้ำร้อนออ ม, มีเสียงกล่าวแก่ยามเฝ้านรกว่าจงจับเขาไปและลากเขาสู่กองไฟที่ลุกโช น, น, ดดนลและจงราดน้ำเดือด บ, บนหัวของพวกเขาเป็นการลงโทษ นนะะรตรงริมรถการลงโทษเถิดแท้จริงเจ้าเคยพูดว่าเป็นผู้มีอำนาจผู้มีเกียรติแท้ทรจริงนี่คือสิ่งที่พวกเจ้าเคยสงสัย แท้จริงบรรดาผู้ยังเกรงจะอยู่ในสถานอันที่สงบปลอดภัยทำกลางสวนสวรรค์อันหลากหลายมีตาน้ำหลายแห่งวพวกเขาจะสวมเครื่องนุ่งห่มที่ทำด้วยผ้าไหมละเอียด ผ้าไหมยอย่างนั่งหันหน้าเข้าหากันเช่นนั้นแหละเราจะให้พวกเขามีผู้ครองเป็นหญิงสาววัยรุน่นมีดวงตาสวยงามพวกเขาจะเรียกรองอาผลไม้ทุกชนิดที่อยู่ในสวนสวรรค์นั้นอย่างง่ายดาย ในสวนสวรรค์นั้นพวกเขาจะไม่ได้ลิ้มรสแห่งความตายนอกจากความตายครั้งแรกในโลกดุญญาและพระองค์จะส่งคุ้มครองพวกเขาให้พ้นจากการลงโทษแห่งไฟนรกตอบแล้วมิ่รบิดานัคืั โดยเป็นความโปรดปรานจากพระผู้อภิบาลของเจ้านั่นคือความสำเร็จอันใหญ่หลวงแท้จริงเราได้ทำให้อัลกุรานเป็นที่ง่ายดายเป็นภาษาของเจ้าเพื่อพวกเขาจะได้ไข้ควริ ฉะนั้นจงคอยดูเถอดแท้จริงพวกเขาก็จะเป็นผู้คอยดูเช่นกัน